ขอความเจริญในธรรมยู่มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปปพิยานกำลังนำเสนอทุกขสัตย์ความจริงคือทุกข์ที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะคือพระเจ้ทาทรงแสดงไว้ในมารสติปัฏฐานสูตรเพื่อจะอธิบายข้อความว่าแต่และข้อเนี่ยทรงอธิบายว่าอย่างไร อยู่แต่ที่จะไปตีความกันกันเลงก็ต้องดูที่ไปที่มาของเรื่องเหล่านั้นในชัดเจนก่อนก่อนก็อธิบายมาถึงเรื่องที่คนจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะต้องพัดพรากเป็นธรรมดาแต่ปรารถนาที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายบางทีเลยเป็นจ่ถึงปรารถนาไม่ให้เกิด เราถือว่าเป็นการฝืนกติธรรมดาพวกคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องปกติธรรมดามนมีใคไทยสามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ความเกิดเองก็จะนั้นไม่ได้อยู่ที่การตั้งความปรารถนาความปรารถนาจะเป็นปันจจัยเสริมผลักดันให้เกิดประกอบเหตุเพื่อไม่ต้องเกิดอีกต่อไป ก็ศึกษาถึงกระบวนการของชีวิตว่าความเกิดนั้นมาจากกิเลสกับกรรมผลธร า, าไม่ต้องการจะเกิดเนี่ยต้องทําลายกิเลสให้หมดเมื่อกิเลสถูกทําลายกรรมก็ถูกทําลายเมื่อกิเลสกับกรรมถูกทําลายแล้ววิญญาณก็ไม่มีนะเพราะวิญญาณมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนามรูปก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ ทุกอย่างมันก็ดับมาตั้งแต่อวิชชาดับสังขารดับแต่เมื่อไม่ประกอบเหตุแล้วต้องการผลผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะงั้นจึงเป็นการฝืนกติธรรมดายิ่งในกรณีของความแก่ความเจ็บความตายและเป็นเรื่องใหญ่ อันนี้มันธรรมดาเลยที่ท่านบอกว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังนันติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ในลวงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่จิตซึ่งไปตั้งไว้ผิดแล้วก็มีความสับสนในตัวจิจตเองเขาวันนี้ก็มาในทุกย่อยนะ พวกปกินกะทุกที่กล่าวไว้ในตอนต้นแต่ว่ามันจะพูดอีกแนวหนึ่งคือไม่ต้องการจะให้มันมีทงัทงๆที่มันเป็นผลซึ่งเกิดมาจากเกิดตัวนี้ถ้าตัดความเกิดจะได้มันก็ไม่มีแล้วแต่ตราบใดที่เรายังมีความเกิดอยู่ในเราปฏิเสธผลล่นี้ไม่ได้ก็รับสั่งว่า พิสูจทั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแกเราสัตว์ที่มีโสกะปริเทวทุกขโทมาัะอุปายาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าเออหนอขอเราพึงเป็นผู้ไม่โสกไม่โสกะไม่ปริเทวะไม่ทุกขไม่โทมนัะไมอุปายาตเป็นธรรมดาเถ อ, อนหนึ่งโสกะปริเทวทุกขโทมาัะอุปายาตยามมีมาถึงแกเราเลยเป็นความปรารถนาที่ เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าตัวเองสร้างเหตุแล้วปฏิเสธผลตรงนี้อย่าลืมว่ามันไม่ใช่เฉพาะกฎธรรมชาติแต่กฎของกรรมมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าถ้าเราไม่ต้องการผลเราอย่าไปสร้างเหตุและผลจะไม่เกิดขึ้นหนอกเราไม่ต้องการให้ตำรวจจับในกรณีที่ฆ่าคนตายเราอย่าไปฆ่าคนให้ตาย ก็ไม่มีใครมาจับเราหรอกเรยว่าเราไม่ต้องการให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนลักทรัพย์เราอย่าลักทรัพย์ถึงแม้คนกล่าวหาเนี่ยเราห้ามเขาไม่ให้กล่าวหาไม่ได้หรอกแต่เราก็มีหลักฐานที่จะไปสืบความไปสุดของตัวเองเป็นความรับผิดชอบในส่วนตัวรับผิดชอบกระแสคนสังคมไม่ได้ กระแสะของสังคมก็คือกระแสะของสังคมที่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสะที่ถูกสร้างขึ้นตามลักษณะของอารมณ์ตามการกําหนดหมายสถานภาพของบุคคลที่บุคคลเหล่านั้นก็กาหนดหมายเอาพจนกฎนี้มันเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎของเหตุผลเมื่อเหตุคือความเกิดมันมีอยู่แล้วเนี่ยทั้งหมดมันต้องติดตามมาจากความเกิด คือถ้าเราไม่เกิดมันก็จบสำนวนทางาศาสนาที่พระ เ, รเจ้าท่านพูดกันปนัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่พระ เ, รเจ้านั้นท่านไม่ได้มองอย่างที่เรามองท่านบอกว่ามันเป็นโทษของวัตตะคือเป็นผลจากการที่ท่านเกิดมาแต่นั้นเองเรื่องเหล่านี้ถ้าท่านไม่เกิดมาแค่อย่างหนึ่งก็จบ ปรญหาก็หมดไปมีสามเณรรูปหนึ่งท่านเดินอุปถากอาจารย์นะฮะแล้วก็เดินทางไกลมาเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แวะพักในที่แห่งหนึ่งทีงนี้พระกับสามเณรนเนี่ยพักอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยตลอดสามคืนเนี่ยไม่ได้เพราะห้าม วินัยก็ห้ามไว้เพราะฉะั้นเมื่อถึงคืนที่สามเนี่ยตรงตื่นแต่ก่อนรุ่งพระอาจารย์นั้นเป็นพระปุถุชนแต่สามเณรเป็นพระอาหารหันต์อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอวันเรนเป็นพระอาหารหันต์พอมาคืนที่สามเนี่ย คืที่สามหรือคืนที่สี่ก็ได้นะฮะจริงๆเนี่ยสามคืนในผ่านไปคืนที่สี่เนี่ยให้ลุกขึ้นนั่งคือไม่นอนแช่องค์หนึ่งท่านเบนก็ลุกขึ้นนั่งไม่นอนอาจารย์นั้นเป็นปุถุชนไม่มีสติสัมปชัญญะมากกว่าก็นอนหลับเพลินไปตื่นขึ้นมานึกได้นึกได้ว่ามันเป็นคืนที่สี่ แล้วท่านเอาไวพ้พัดพัดก็ไปเคาะที่เนนนะฮะไปตีพลาดยังไงไม่รู้ไปถูกตาเนนบอด ต, ตื่นเช้ากันเนนก็ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มือนึ่งก็จับตาไว้ทำหน้าที่เฉยอาจารย์เห็นผิดสังเกตพอสอบถามทราบความก็ตกใจมากเลยลท่านทำพลาดไป โคลาล า, าโทษกับสามเณรท่านเลยบอกไม่ใช่ความผิดของท่านอาจารย์หรอกมันเป็นความผิดของวัฏตะก็หมายความว่ามันเป็นผลที่เกิดมาจากการเกิดเรื่องนี้ถ้าเราไม่เกิดใช่อย่างหนึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้พวกเนี้ยเราเราเกิดมาแล้วอ่ะ มันทำยังไงกับความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรร่ำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจเนี่ยที่จริงนี่เรามันอยู่ที่สามารถทบใจได้นะแต่ว่าใจเรามีความเข้มแข็งเข้แข็ง ม, มากพอหรือเปล่าเพราะว่าระยะบุคคลในท่านเกิดท่านแก่ท่านเจ็บท่านตายเนี่ย แต่ทำไมท่านไม่โศกไม่ร่ไรไม่รำพันธไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียใจไม่มีความคขับแค้นใจก็แสดงอาการเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสที่เกิดมาจากความรักความชังวรนตาจับใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเราจะป้องกันความสศกความรับรวยรำพันธ์ความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจนี่ได้ยากนั้นก็ทรงแสดงว่า แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่ายำปิจฉังนันรับปฏิตำปิดทุกขังคือศาสตร์ปรารถนาสิ่งใดย่อไม่ได้แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นก็เป็นทุกข์จะแล้วก็ทรงแสดงโดยสรุปว่าลุกวรนที่สู่ทั้งหลายโดยย่ออุปาทานนัขันทั้งห้าเป็นทุกข์อย่างนี้คือ อุปท า, านขันาคือรูปเป็นตานสัญญาง่างวิญญาณนะครับอุปท า, านอานารนั้นที่จริงเป็นที่รวมของธรรมะทั้งปวงยกเว้นนิพพานนะครับทั้งหมดมันสรุปอยู่ที่ขันห้านิพพานเป็นขันตวิมุติคือพ้นจากขันห้านอกจากนั้นก็อยู่ในพวกขันห้าทั้งนั้น รูปเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็บิญญาณซึ่งก็หมายความว่าทั้งทั้งหมดเนี่ยสรุปรวมแล้วก็คือเป็นรูปประกอบด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยด้วยไฟด้วยอากาศนี่ก็กลายเป็นรูป รูปเหล่านี้ก็สามารถที่จะย่อยออกไปได้อีกเป็นนั้นมากเช่นว่าย่อยออกไปเป็นประสาท ต, ต่างๆบางทีก็เรียกรวมๆมาพวกขันท่าตยแตด่างทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องรูปกกานามเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างแต่ว่า เวลาทรงจําแนกแสดงนั้นจําแนกไว้หลายในญาตด้วยกันเวทนาหนึ่งก็มีเช่นเวทนาขันเวทนาสองก็มีคือสุกกระทุกขเวทนาสามก็มีคือสุขทุกขแล้วก็ไม่ทุกไม่สุขเวทนาห้าก็มีคือสุขโสมนัสทุกโทมนัสอาอุเบขาเวทนาหกก็มีก็เรียกตามชื่อประสาทสัมผัสนะ กุสัมผัสชาวเวทนาความสเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เรื่อยไปนะฮะรื่อยเรื่อยไปจนถึงมโนสัมผัสชาวเวทนาความสเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็เวทนาเหล่านั้นบางครั้งก็ขยายไปเป็นเก้านะฮะขยายปเป็นเก้า เอเวทนาสามนี่แหละขยายเช่นว่าสุขแล้วก็ขยายเป็นสามิตรสุขคือเจอด้วยอมิตรนิรามิตรสุขคือไม่เจอด้วยอมิตรเจอด้ดยวดยนิพพานพอทุกข์ก็ขยายเป็นสามทุกแล้วก็สามิทุกนิรามิทุกอกกทุกทกรรมสุขก็ขยายเป็นสามเหมือนกันสามมิตอทุกกรมสุขนิรามิตรอทุกกรมสุขสามิตรอทุกกรมสุขนิรามิตรอทุกกรมสุข ก็เป็นการขยายในรายละเอียดแล้วก็พูดไปจนถึงเวธนาร้อยแปดนะครับแต่เวธนาก็เป็นเวธนาขันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตเขามีฐานะเป็นเขาเรียกว่าจิตตสังขารคือสิ่งที่ปนปลื้จิตหล่อเลี้ยงจิตรักษาจิตให้ดำรงคงอยู่สัญญาก็คือความจำได้หมายรู้เพราะในสิ่งที่ เป็นสัญญาเนี่ยจริงมันมีหกกลุ่มใหญ่ๆใหญ่จาสิ่งที่เป็นรูปจําสิ่งที่เป็นเสียงจาสิ่งที่เป็นกลิ่นจําสิ่งที่เป็นรสสามจำสิ่งที่เป็นเย็นร้อนนนแข็งยืดเหนียวแล้วก็จําสิ่งที่เป็นอารมณ์คาจํามันก็มีแค่นั้นแหละแต่ว่าตัวมันเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพขอมันสัญญากับเบินานั้นเป็นจิตสังขาร คือสิ่งที่เป็นปนเปือจิตหล่อเลี้ยงจิตให้เราสังเกตว่าเช่นเราเจอคนเนี่ยคนบางคนเนี่ยเจอปั๊บขึเราดีใจอาการดีใจนั้นแสดงถึงสุขเวทนาทําไมจึงเกิดสุขละ่ะเพราะาเราจําความดีของเขาไว้เช่นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติวงพงศากูบาอาจารย์ใดๆเนี่ยพอ เ, เห็นแเราดีใจ นั้นเป็นอาการเกิดร่วมของเวทนาของสัญญาของความจำนะฮะแล้วก็ปรุงจิตให้มีความรู้สึกไปอย่างนั้นบางครั้งเกิดเห็นคนปั๊บเข้ามาเราไม่ชอบก็แสดงว่าความจำกับเวทนาในอดีตเนี่ยเข้ามามีส่วนในการวินิจฉัยตัดสินตรงนั้นอยู่ดังนั้นจึงต้อง ดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่เราไปยึดเอายึดต่อว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้างเป็นตัวเป็นตนก็เราบ้างเนี่ยแต่เราไม่ยึดมันก็จบอ่ะที่จริงมันเป็นเรื่องอดีตก็เห็นคนแล้วก็เฉยๆยังคนเฉย ๆ, ๆก็ได้นะอดีใจนะพอทำเนานะแต่ว่าเสียใจนั้นมันไม่รู้จะได้เรื่องอะไรขึ้นมาเห็นว่าเห็นญาติผู้ใหญ่แล้วเกิด เดี๋ยวตีใจเกิดศรัทธาเรื่อมใสเกิดเคารพนับถือขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าพอ ร, รู้ไปแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะคิดไปทำอะไร้ังขานนั้นเป็นเรื่องของจิตใจของบุคคลนะฮะเช่นความรู้สึกมิคิดต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของของบุคคล เจำนวนัทธาความเชื่อสติความระลึกได้หิริความลายต่อบาปอ ต, ตะปะความสะทุงมขัวต่อบาปอารมหะความไม่โลภะโศสะความไม่โกรธไม่ฉุนเฉียวความมีใจเป็นกลางได้แก่กายปัสสัตย์กิริยานสงบแห่งนามกายจิตปัสสัตย์ได้แก่กิริยานสงบแห่งจิตกายรูตาจิตรรูตาเป็นต้นเนี่ยทั้ง ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสังขารซึ่งเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคลคือสรุปว่าสังขารเนี่ยคือกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยกิธรรมนะครับถอภาภาภาเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลมันเป็นอาการของความรักความชังความเมตตาความศรัทธาความละอายต่อบาปความสะดุ้งโกรต่อบาปก็แล้วแต่แต่อะไรจะเกิดขึ้นและวิญญาณก็คือ ความรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสหรือรู้รทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจ ม, มูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอบแข็งทางกายแล้วก็รู้อารมณ์ทางใจปัญหาใหญ่มันก็อยู่ตรงนี้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น เคะประยามองขันห้าให้เห็นถึงความจริงว่าความยึดมั่นหรือมั่นจนถึงกับสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นหือมั่นพูดระดับสูงสุดกันว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรจะยึดมั่นถรือมั่นพอยึดมั่นถรือมั่นไปแล้วมันก็มีแต่ทุกมีแต่ปัญหามีแต่ความเรียดร้อนอะไรก็ตามที่เราเอาของเราเข้าไปแปะไว้เนี่ย เข้าไปจับไว้เนะี่ยสิ่งนั้นจะไม่มีทุกเนี่ไม่มีเลยท่านพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยรับสั่งไว้ใครรอมากนะบอกว่านักเถ่ตังโล ก, กัสมิงยางบุปาธิยามานังอนาวจังนัสสิ่งใดทีด่บุคคลเข้าพยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้นะ่สิ่งนั้นจะไม่มีโทษเนี่ยไม่มีเลยมันต้องมีโทษทั้งนั้น เพียงแต่ว่าโทษมากหรือโทษน้อยขึ้นอยู่กับกระแสของความยึดมั่นถือมั่นเป็นประการสำคัญวานการจะปล่อยปล่อยวางเนี่ยยังแนวสมัยก่อนเนี่ยท่านจะนำมาสวดสาธยายคือนำบทของธรรมะเราเนี่ยของขันห้าเราเนี่ยมาสวด เห็นว่ารูปเนี่ยทังก็สวดว่ารูปังอานิจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยาดานิจังตังดุขั้งรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกยังดุขั้งตังอานาตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยาดาอาตาตตังเนต่างอมานโซะมัสมิณนามีโซเบตารูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราถึงเวทนาท่านก็สวดอย่างเนี้ยเวทนานิจาเวทนาเป็นของไม่เที่ยง ยาดาณิจางตังหลักังม ส, มมมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกยังหลักงังตั ง, ต ง, ตงอนัาาตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นใช่ตัวใช่ตนยาดาณตาตังเนตังมะม า, deep, มานโซมัสสมินาเมโซเมหตาสิ่งใดใช่ตัวใช่ตนสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราคือสวดช้าๆแล้วก็เสียงมันซึ้งนะฮะ ถ้าสวดพร้อมๆกันแล้วซึ่งสวดได้ทิ้งจังหวะยาวๆหน่อยควังแล้วมันก็จะเยืดกเข้าไปถึงใจคือเราเห็นความจริงของขันทั้งหลายที่เรายึดถือเอาไว้ด้วยประดาต่างๆยึดถือยุ่งๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นทิฏฐินะฮะเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนแนวตรงนี้มีปรากฏอยู่เยอะ แล้วก็ทำให้เกิดอัตตาตัวตนที่เคืองที่ใหญ่ขึ้นมามีความสำคัญในความต้องการแก่ตัวเองหลงเข้าใจว่าตัวเองมีบทบาทหลักยิ่งใหญ่เป็นโตัวซึ่งข้อนี้เป็นปัญหาที่ก็มีอยู่ในโลกอะ่ะก็หมายความว่าที่จริงคนเราถ้าลดอัตตาลงไปหน่อย ปัญหาต่างๆมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยประนีประนอมได้ประสานประโยชน์กันได้ลดความรุนแรงลงไปได้การเกิดเป็นศึกสงครามการเข็นฆ่าทำลายล่างกันเนี่ยพวกไม่รู้ ห, หน่วยนี่เนี่ยพวกเด็กพวกผู้หญิงพวกคนชราเนี่ยนะหมายความว่าพวกที่ไม่มีส่วนไปสู้รบปบมืออะไรก็ใครเนี่ยก็มาต้องบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจํานวนมากเป็นภาพเราเห็นแล้วก็สะลดทดกู ผู้ใหญต่อสู้กันทางการเมืองเด็กก็เกิดมาทุกวันนี่ยนะเกิดมาแล้วก็ต้องอหิวโหยเลือดร้อนโดยประการต่างๆอย่างเด็กที่อิรักก็ดีในเด็กที่อัฟกานิสถานก็ดีเด็กที่แถวอฟริกาก็ดีนโอ้โหมันดูแลหนะ่าสลดตัวๆก็นั่นก็คือขันที่เราไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขากันแรงเกินไป ถ้าเรายึดถือขณาดศีลธรรมจัญญานะครับแล้เอาใจเขามาใส่ใจเราได้เราสังเกตว่าที่จริงแล้วเนี่ยแนวศีลธรรมจัญญาเนี่ยมันก็ก็แนวยึดถือบองกันแต่ว่าลดความยึดถือในลักษณะที่ร้าเหตุผลลงไปในความเป็นศีลธรรมจัญญานั้นมีแต่ตัวตนของเรา มีเรามีเขามีความเป็นเราเป็นเขาตามปกติธรรมดาแต่ว่าพยายามที่จะลดความรู้สึกเป็นของเราเป็นของเขาลงไปเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเราเป็นผู้น้อยเราเป็นผู้ใหญ่ เราเป็นลูกเราเป็นหลานเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยที่จริงเรามันมีอยู่นะครเพียงแต่ว่ามาให้เกิดสํานึกที่จะปฏิบัติรับผิดชอบตามต้องควรแก่สถานะของตนเราเป็นเราเป็นเขาก็คงมีอยู่แต่ว่าลดลงไปไม่ให้เกิดมีความคิดเห็นที่รุนแรง จะเห็นว่าเนี่ยในแนวเช่นแนวทิศหกเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงก็เป็นตัวตนนะนะเป็นเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าทำยังไงล่ะยึดถือตามเหมาะตามควรแก่สถานะที่เราเป็นเป็นลูกก็ทำหน้าที่ของลูกให้ดีเป็นพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีเป็นพันยาเป็นสามีก็ทำหน้าที่ของสามีพันยาให้ดี เป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ปฏิบัติต่อเพื่อนกันโดยความเอเื้อเฟื้อมีน้ำใจอบอ้อมารีเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนกันเป็นครัวจานกระสิตก็เป็นนะนะที่จริงก็เป็นเพราะระดับสินธรรมจัร ญ, ญาเนี่ยมันต้องเป็นสินธรรมจัญยามันเป็นเรื่องของสมมติปัญญิที่คนจะต้องแสดงบทบาทตามที่ถูกสมมติเนี่ยให้ดำเนินไปได้ดยดีหมายความว่าใครเล่นบทอะไรก็เล่นให้ดีก็แล้วกัน แลเลิกแสดงก็คือเลิกแสดงกันแต่ว่าการที่ยึดถือและเป็นทุกข์นั้นคือยึดถือเอาแนวใดแนวหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมทอนกายเกิดแทนที่จะเกิดประโยชน์ก็เกิดโทษเพราะงั้นท่านจึงสอนในระดับของทุกข์เนี่ยจะสอนในแนวที่ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าสิ่งทังหลายไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังมันเป็นเสมอไปทั้งฝังทั้งหลาย แต่รวมบทวิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง่องามไปบูรณนธรรมจะมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี